f i languages. สที่ไหนวาสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Tourist d คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ क्या आपके पास मेरे लिए श นี้ไห क ्ะा है จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ क्या ีแผน होट เ में งนี้ไหมคะคุณมีแผนที่เมืองนี้หมคะคุณมีแผนที่เมือाนี้ไหมคะเมืองน่าอยู่ที่ไหน पुरा มืองนี ह ไหมหารอยู่ที่ไหน ग ิรจา घ र क ह ाร है คพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนอัจฉ ب ิยะครับคหซื้อสแตมป์ได้ที่ไหนขัा ट ิ क าติกาฮะซื้อได้ที่ไหนซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนพู้ลูก से खरी दे जा सकते हैं ซื้อตั๋วได้ที่ไหน ตั๋วทีाค่าห้องจะซื้อได้ที่ท่าเรืออยู่ที่ไหนบันดาร์กาห์อยู่หตลาดอยู่ที่ไหนมาร์ก็ตอยู่ทไหปราสาทอยู่ที र र ่ไหนเมหลอยู่หการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ ด ورة กับช र รูฮุกการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหรด ورة กับขั้มฮุก้การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ด ورة กี่นีเดียร์กาเหตดิฉันต้องการมาคุเทศที่พูดภาษาเยอรมันมุจเเย่เอ็กไกด์ใจเย่จูเจอร์แมบูลตาฮ ดิฉันต้องการมาคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียนมุ่งเจเอกไกด์ใจเย่จ ल อิตาเลียนบาดิฉันต้องการมาคุเทสที่พูดภาษาฝรั่งเศส मुझे एक गाइ ไกด์ใจเย่จูฟรานซิสซีบูลตาโ